ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพระไบาลานเปล่าโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่เจดกรกฎาคมพุทธศักราชส5 4 6ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังน่ากว่าจะถึงอรหรันักองหนึ่งพระอรหันต์รูปนี้ชื่อว่าพระโปธิละคงเคยได้ยินมาแล้วนะพระโปธิละบางทีพวกเราก็เคยมีเอามาพูดให้ฟังกันอยู่ แต่วันนี้เราลองฟังรายละเอียดดูภิกษนะุชื่อว่าโปธิละเนี่นะเมื่อได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วได้เป็นผู้คงแก่เรียนมีความรู้ในธรรมะดียิ่งสามารถเทศสอนทมแก่ภิกษุจำนวนมากจึงได้ลาบสักการะมากมาย ทำให้ความอวดดีถือตัวเกิดขึ้นทั้งๆ ท, งที่ตั้งแต่บวชมายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้เกิดมรรคผลใดๆขึ้นแก่ตนเลยนะถึงตรงนี้นี่ให้เรารู้เบื้องต้นก่อนว่าพระโพธิละเนี่ยตั้งแต่บวชมาในพุทธศาสนาเป็นคนปุยง่ายขยันหมั่นเพียร ในเรื่องของการเรียนเรียนรู้เรียนพ ร, ระธรรมเนี่ยแหละศึกษาธรรมะโอเป็นคนใส่ใจดีมากนั้นแล้วก็ไม่เพียงแต่ใส่ใจและไม่เพียงแต่ศึกษาธรรมะเท่า น, นั้นก็ยังมีความรู้ความเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถบอกสอนภิกษุได้เป็นจำนวนมากด้วยนแสดงว่าอันนี้มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของ อะไรบทธรรมต่างๆแต่มีข้อที่มีปัญหาอยู่ก็คือว่าพอยิ่งสอนธรรมะได้เก่งใช่ไหมล้วสมมุติว่าสอนได้ดีด้วยสอนให้คนเข้าใจได้ด้วยเอาก็ยิ่งสอนดียิ่งเทศเก่งอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งชอบอพูดง่ายคนก็ยิ่งเคารพยิ่งศรัทธายิ่งเลื่อมใสคราวนี้ก็เลยอะไร ลาบสักระเสียงสละเสริญอะไรต่างๆก็เข้ามามากมันพอได้พวกนี้เยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าอ้าวลืมตัวได้ลืมตัวได้ไดเพราะมรรคผลในการปฏิบัติยังไม่มีนี่คําว่ามรรคผลนี่หมายถึงว่าเรารู้ธรรมะแล้วเราเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลกับตัวเรานะเอาเอาสิ่งที่เรารู้เอามรรคเหล่านั้นที่เรารู้ มาปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาที่ตัวเราอย่างนี้เราเรียกว่ า, อ, าอย่างนี้เป็นผู้ที่ได้มรรคผลแต่ปรากฏว่าพโปธิละเนี่ยนะสอนธรรมะเก่งเทศเก่งแต่เรื่องของมรรคผลตัวเองยังไม่มีแต่มีราบสักระมากเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยคนไหนก็ตามที่พูดง่ายว่าจิตจิตภายในเนี่ยไม่แข็ง เสรีมีลาบมามากโออันตรายเพราะว่าจะทำให้หลงหลงตัวหรือว่าหลงไหลในโลกธรรมที่เป็นลาบละอะไรพวกนี้เป็นไปได้มากเพราะอันนี้ก็เป็นอันตรายนะมันลาบสักระเป็นอันตรายได้แม้พระขีนาศพก็คือเป็นอันตรายได้แม้พระอรหันต์แล้วนับภาษาอะไรผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้ว นะเพราะฉะนั้นยิ่งเนี่ยพระโพธิละนะยังไม่มีพังผลอะไรเลยเนี่ยโอ้โหอันตรายก็ยิ่งมากวันก็เลยปรากฏว่าอ่าลาบมามากก็เลยคราวนี้ชักจะหลงตัวถือตัวเกิดขึ้นมามีอะไรอะ่ะมีศักดิ์ศรีขึ้นมาตอนนี้มีอยู่คราวหนึ่งพระมหาโมกขลานะเทละ ซึ่งเป็นพระอักระสาวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาได้กล่าวตำหนิถึงภิกษุโปธิละเอาไว้ว่าภิกษุโปทิละนี้รู้ธรรมแต่ไม่เข้าถึงธรรมเพราะเป็นผู้ถูกอับวิชาหุ้มห่อไว้แล้วเดินไปสู่ทางผิดซึ่งเป็นทางโคตไม่ควรเดินมกมุ่นอยู่ในความคิดปรุงแต่งที่ติดอยู่ในราบและสักละเสมือนดังตัวนอน ที่ติดอยู่ในคูดคูดก็คือฮะอะ่ติดอยู่ในอุจระนั่นเองพูดภาษาชาวบ้านก็ติดอยู่ในขี้ภาษาชาวบ้านเนี่ยเสมือนตัวหนอนที่ติดอยู่ในคูดจึงเป็นผู้ไม่มีแก่นสารอันนี้พูดง่ายๆว่าพระโมกขราระณะว่าเลยแต่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าพูดกับเพื่อนพิกษุให้ฟังวันเนี้ย พับโอชิระเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหซึ่งพูดตรงๆเลยนะไม่อ้อมคอมเลยตำหนิกันแบบให้เห็นชัดเลยวันเนี่ยไปลหลงไหลลาบสกักกะะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปลหลงไหลใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เอามาเอาธรรมะที่รู้มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมากผลกับตัวเองแล้วก็ไปหลงอยู่แต่อย่างนั้นนะ่ะเลยเปรียบเหมือนกับตัวนอนเลยอันนี้ไม่ใช่นอนอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่นอนใบไม้ซะด้วยนะ เอออันนี้นอนอุจจาะเลยป่วยง่ายนะซึ่งป่วยง่ายว่าโอ้โหมันน่ารังเกียจน่าสกรปรกมันน่าขยะขยง้งพูดอย่างเนี้นึกถึงได้ไม่รู้เคยเห็นมไหมเนี่ยนอนในพวกบ่ออุจละเคยเห็นไหมโอ้ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยจะรู้สึกเอาจริงๆนะ เออถ้าใครแบบเคยเคยใช้ส้วมหลุมมานะใครเคยใช้ส้วมหลุมจะเห็นชัดเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้กบเขาไม่ค่อยได้อะไรหรอกใช่ไหมไปถึงก็ไปนั่งถ่ายแม่แม่แม่แมไว้ก็อย่างนั้นแหละเออเอากระดานไม้น้าสามก็พอละ ว, วางไม่ให้ขาหยังได้เท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยแม่แหม่แหม่ลงไปแล้ววันดีคืนดีเวลามองลงไปเนี่ย โอ้โหเห็นเลยอ่ะแล้วยิบระยับเลยนะยิ่งมีแสงส่องมาหน่อยนะให้เห็นนะโอ้โหยังกบมังกรเล่นน้ําอันนี้พูดให้เพราะหน่อยเหมือนมังกรเล่นน้ำแล้วยิบระยับโอ้เหลืองอลามเลยมังกรทองซะด้วยนะจริงๆอนามาเกยเห็นมาแล้วบอกโอ้โหปรงเลยปรงอสุภาษเลยจริงๆโชคดีนะโชคดีตรงนั้ ตรงที่ได้เคยเห็นมามันทําให้โอ้โหได้ประสบการณ์ชีวิตตอนไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองไปเป็นทหารเกณฑ์เขาให้ใช้ส้วมหลุมขุดมาเนี่ยส้วมยาวเลยอะ่ะนะเขาขุดหลุมยาวเลยแล้วเนี่ยไอหลุมที่ยาวเนี่ยเขาเอาไม้นาสามมาพาดพาดพาดาดนั่นแหละเสร็จแล้วไอรัอ้วขอบขอบนี่ก็ล้อมล้อมล้อมคอกใหญ่เลยอะ่ะรอบ คอกกว้างเลยส่วนภายในไม่ต้องล้อมนะไปถ่ายก็เอา้าไปนั่งก็เห็นกันคุยกันไปตามสบายไม่มีอะไรปิดบงังเปิดเผยนั่นแหละเสร็จแล้วตอนี้เนี่ยเพราะว่าหลุมเนี่ยมันยาวใช่ไหมไม่ใช่หลุมแบบแบบแคบๆเล็กๆแคบๆเล็กๆป ม, มืดบางทีเราจะมองไม่ก็เห็นแต่อันนี้มันเป็นเขาขุดหลุมยาวเลยอุ้ยยาวไปแบบก็ฐานมันเยอะ ใช่ไหมเป็นหลายๆร้อยอย่างเงี้ยนี่เพราะฉะนั้นพอเขาพอเวลาเราไปถ่ายเนี่ยยิ่งตอนกลางวันอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งเห็นชัดเลยสิถึงบอกว่าโหมันสะท้อนแสงอาทิตย์เนี่ยแหมมันระยิบระยับเลยบางทีเนี่ยไม่อยากก้มลงไปมองเลยเพราะก้มลงไปมองแล้วโอ้โหมันได้โป่งอสุภาอย่างอย่างหนักหน่วงอย่างรุนแรงเพราะ ที่บอกว่าปงอสุภาอยังหนักหน่วงก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เห็นน่ะอะไรเออทั้งกลิ่นมันมันมันเกือบหมดแหะทั้งกลิ่นทั้งแสงสีเออมันไม่มีเสียงเท่นั้นเองอะนะโอ้แต่แค่เราเห็นมันเลยยิปเรยยับนี่เราก็แล้วโดยเฉพาะกลิ่นที่เข้ามาในจมูกเราเนี่ยอย่าบอกใครเลย นันอันนี้พระโมคขลานาเนี่ยท่านก็เปรียบเปรียบพระโปชิระเนี่ยโอ้เหมือนกับนอนในกองอุจจาระเนี่ยหรือพูดง่ายๆพวกนอนประเภทที่เขาเรียกว่านอนกินขี้อ่ะนะท่านก็เปรียบมาเลยจริงๆก็คือพญาตต่างๆของของคนเราบ้างหรือไม่ก็พวกมแมลงวันพวกอะไรที่มันมากินแล้วก็มาไข่ไว้ในใ น, ในอุจจาระอีกทีนั่นก็เกิดเป็นนอนเป็นอะไรต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือท่านเปียบหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงพูดง่ายว่าว่าชนิดโอ้โหเสียหายมากๆเลยแล้วก็ทิ้งท้ายตรงเป็นผู้ไม่มีแกนสารคำว่าแกนก็คือไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีแกนไม่มีหลกักไม่มีอะไรเลยนะสารนี่ก็สาระนั่นเองคือพูดง่ายว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่จะทําให้เออ เป็นมากผลเป็นอะไรที่สลักสำคัญขึ้นมาเลยโอ้โ oh, หท่านว่าไม่แรงแต่ตอนนี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงดำริเช่นกันว่าภิกษุนี้เอาแต่เรียนรู้ธทรรมแต่ไม่มีไม่มีความคิดเลยว่าจะทำการสลัดกิเลสทุกออกจากตนเห็นทีเราจะต้องทำให้ภิกษุนี้บังเกิดความสังเวชแล้วปฏิบัติธรรม หรือผู้เจ้าก็คงได้ข่าวได้กระแสมานะพระผู้เจ้าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอจะพูดง่ายจะอบรมสั่งสอนภาพโอทิละนี่ยังไงดีนะแต่ยอมรับว่าเนี่ยรู้ธรรมะมากอสอนธรรมะคนเขาก็เก่งแต่ไม่ไม่ลดละกิเลสตัวเองอะ่ะไม่มีมักผลก็คือว่าไม่ได้ฝึกฝนตนที่จะลดกิเลสใช่ไหม อาจจะไม่ค่อยได้มันตัวศีลของตัวเองอาจจะไม่ได้มีตะบะทำอะไรนะที่จะมาลดราคะหรือว่าโทสะหรือว่ามานะอะไรของตัวเองคือไม่ได้ลดเลยหรือพูดภาษาชาวบ้านการกินอยู่หลับนอนในชีวิตประจาวันเนี่ยอา่ากินเนี่ยอา้าวอาจจะกินมากกินเยอะแต่เป็นพระนี่เอาท่านก็ไม่ให้ไปจุบจิบละ แต่อโหยังอาจจะขี้โลภอาจจะยังกินแต่ของอ ร, อร่อยกินแต่ของที่ชอบกินก็กินมากๆอะไรอย่างเงี้ของไหนไม่ไม่ชอบก็ไม่กินนะหรือบางทีเอา้าวจีวรหรือว่าข้าวของที่ใช้อย่างเงี้ยเอาถือว่าจะชอบของดีๆก็จะใช้ของดีๆของไหนไม่ดีก็ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งพระโพธิละนี่โอ้โหลาบสารเสริญเข้ามามากด้วยก็จะยิ่งมีอะไรมีของที่ โอ้โหให้เลือกเยอะแยะเลยสิคนนี้วัขวนข่านี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ยิ่งมีของเข้ามาให้เลือกมากก็จะเลือกเอาตามชอบใจตามชอบใจเพราะฉะนั้นอันตรายอันแสบเผ็ดที่เป็นลาบสักระอะไรต่างนี่มันแสบเผ็ดตรงนี้คือมันเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติลดล้ากิเลสของที่เรากินของที่เราใช้จะกลายเป็นของเพิ่มกิเลสเราทันทีเลยมันจะไม่กลายเป็นของลดกิเลส เพราะมีเพราะถ้าใครเนี่ยฝึกลดกิเลสก็ต้องฝืนใจก็ต้องบังคับตัวเองอชอบไปนี่เหรอชอบมากต้งเหรอติดมากต้งเหรอเอางดสิเว้นที่ลดลงไปสิไอ้มม่มันต้องฝืนใจต้องบังคับตัวเองแต่ตอนนี้เอามีหูเข้าของให้กินเยอะแยะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไม่ไม่ฝึกฝนตนเพราะนั้นก็เลือกกินตามที่ชอบวันกิเลสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะไม่มีวันลดลงเพราะฉะนั้นอันตรายที่แสบเผ็ของราบสักการะต่างๆก็จะเป็นลักษณะนี้วันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เห็นตรงยิงไงแต่บอกเนี่ยไม่ได้ลดกิเลสตัวเองเลยเพราะฉะนั้นท่านเลยคิดอยู่ในใจว่าจะต้องเล่นงานและพูดภาษาชาวบ้านจะต้องเล่นงานให้พระโพธิละเนี่ยเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาคําว่าสังเวชนี่ไม่ใช่แปลเป็นภาษา ชาวบ้านทั่วๆไปว่าสลดหดหูใจอันนั้นไม่ใช่นะสลดหดหูใจแบบนั้นน่ะมันเป็นความหมายแบบแบบโลกๆแบบชาวบ้านที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าเราอ่านศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้ผู้ น, นั้นเนี่ยเกิดความสังเวชขึ้นมาจะเป็นความสลดใจเหมือนกันใช่แต่เป็นความสลดใจเนี่ยเพื่อที่จะ เหมือนกับว่าให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วก็หันกลับมาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถึงเรียกว่าทำให้เกิดความสลดสังเวชเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีถ้าให้สถานการณ์ปกติมีอะไรกินมีอะไรใช้นะ่าได้เสพได้อะไรสบายอยู่ไม่สำนึกหรือว่าไม่ไม่รู้ตัว ยังไม่เห็นทุกข์เพราะนบางครั้งเนี่ยต้องให้เจออะไรที่เรียกว่าผัสสะผัสสะที่ทำให้โดนด่าบ้างโดนว่าบ้างโดนลงโทษโดนตีบ้างอะไรอย่างนี้พอโดนเข้าไปแล้วโอ้โหเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าอะไรขึ้นมาบางครั้งก็เลย เ, ออเกิดสังนึกเกิดสะลดใจแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแปลงนิสัยแทนที่จะไปทำไม่ดีอย่างเก่าก็ เปลี่ยนเป็นมาทำในด้านที่ดีขึ้นได้เพราะนันอันนี้คือสภาพหรื อ, อสภาวะของคำภา่งเวทนะผู้เจ้าท่านก็คิดอย่างนี้ละคราวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาพระศาสดาจึงมักตรัสเรียกภิกษุโปธิละด้วยเจตนาเตือนสติว่ามาเถิดท่านใบลานเปล่านั่งเถิดท่านใบลานเปล่า ไปเถิดทัาไบร า, านเปล่าคือพูด ง, งาา่ายๆว่าแทบจะเปลี่ยนชื่อพระโปทิละแล้วกลายเป็นเรียกท่านไบร า, านเปล่าเราคําว่าไบร า, านเปล่าเราคงจะพอเข้าใจนะหมายความว่าไงสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขามีพระธรรมคําอคสอนเขามีอะไรเขาจะบันทึกลงไบาลานใช่ไหมอาจารย์ที่บอกเนี่ยพระไบร า, านเปล่าอย่างเงี้ยไหนใครพอจะ ให้คำตอบได้บ้าปกติเนี่ยเขาจะจารหรือว่าเขาจะจารึกคําสอนต่างๆเอาสมมุติเนี่ยพระพุทธพจน์หรือพระธรรมต่างๆเขาจะจาร์เขาจะจารึกลงในใบลานอาจจะเขียนลงในใบลานนี่แหละมาแล้วเขาก็มาใช้เป็นเหมือนหนังสือเดี๋ยวนี้แต่แต่ก่อนเขาอาจจะเรียกเป็นคัมภีร์เป็น อ, อย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาจะเอามาอ่านเอามาท่องหรือเอามาสวด ให้เอาประเทศก็ได้ให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอะไระฟังทำเห็นไหมล่ะทุกวันนี้บางทีเวลาพระท่านขึ้นทำมาศก็ยังถือเลยแต่ตอนนี้ขอพูดตามความเข้าใจของอาตาบายเอง น, นคาาานําว่าใบลานเปล่าเนี่ยมาได้ยินมานานแล้วแหะตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็จะยินมาละโอ้ใบาลานเปล่าผ้าใบาลานเปล่าไม่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักใช้เกี่ยวกับพระ เพราะว่าใบาลานนี่ก็บอกแล้วเป็นเหมือนกับคำพีเหมือนกับข้อขาจารยจารึกลงไปส่วนใหญ่อะเป็นพระธรรมเป็นคำสอนต่างๆมันก็เลยส่วนใหญ่จะใช้กับพระเลยมักจะได้ยินคำว่าพระใบาลานเปล่าแต่จริงๆเนี่ยไม่ไม่ต้องมีคำว่าพระก็ได้เขาก็เรียกใบาลานเปล่าเฉยๆนะแต่ที่อัตมาคุณเนี่ยจะมีคาว่าพระอยู่ด้วยนะซึ่งหมายความว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไบลานี่ไม่มีตัวอัสือไม่มีอักษร อ, อะไรก็มีแต่ว่านี่แหละคือได้แต่เทศได้แต่สอนได้แต่บอกนะตามไบลานเนี่ยคือไบลานี่มียังไงก็ก็ว่าไปตามนั้นสอนไปตามนั้นแต่โดยตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ได้มีมากผลไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาสอนตามตำราผูด ง, ง่ายๆนะตำรามีว่าไว้อย่างนี้ก็สอนอย่างนี้แหละ เสร็จแล้วปรากฏว่าโดยมรรคผลของคนนั้นจริงๆอะ่ะทำไม่ได้หรือว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยแหละเป็นความเปล่าเปล่าที่ตรงนี้เปล่าตรงไม่มีเนื้ อ, อไม่มีเนื้อหาสาระในามรรคผลนั้นๆไม่มีมีแต่ภาษาพูดง่ายมีแต่คำพูดเท่านั้นเองวันอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าไบรานเปล่า อั น, นี้พุเจ้าเนี่ยท่านก็ใช้สำนวนทำนองนี้กับพระโพธิละซึ่งพระโพธิละก็จะต้องรู้เหมือนกันเพราะมันเป็นสำนวนที่ใช้กันอยู่นะทีนี้พอใช้ไปใช้ไปอ้าวเมื่อถูกเรียกชื่ออย่างนี้หลายครั้งจากพระศาสดาทําให้ภิกษุโพธิละอดคิดไม่ได้ว่าเราเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาไว้ก็หมายถึงว่าอะไร โอ้โหอุตสาล่ำเรียนใช่ไหมอุตสาจดจำอุตสารู้ธรรมะตั้งมากมายเนี่ยคือถือว่าตัวเองนี่รักษาธรรมะอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ารักษาตําลายังเรียกว่ารักษาธรรมะจริงๆไม่ได้นะคนที่จะรักษาธรรมะหรือสืบทอดพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยต้องต้องท่อ ง, อ, งอะไรศีลต้องสวดมนต์ได้จาเป็นไหม ไม่จาเป็นแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องต้องปฏิบัติได้หรือต้องทำได้ถึงจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนาไว้จริงนะอันนี้เนี่ยท่านก็เข้าใจผิดนะแม้ท่านกันนึกอยู่ว่าเอ้าที่ท่านเรียนมาท่านรู้มาอย่างเงี้ยท่านเนี่ยแหละเนี่ยเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาบอกสอนทำแกภิกษุ500รรูปก็แล้วพระาศาสดายังตรัสเรียกเราเนืองๆว่า ใบลานเปล่าเช่นนี้ย่อมหมายถึงความไม่มีมรรคผลของเราเป็นแน่แท้ส ก, กิดใจเหมือนกันเรียกครั้งหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกโอ้ตัวเรียกบ่อยๆเข้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเดินเจอกันอย่างเงี้ยพระพิจารณาปกติจะเป็นผู้ที่มีปฏิสันถารผู้อื่นก่อนอสมมติเจอหน้ากันอย่างเงี้ยพอเจอปับ๊บเป็นไง ท, นท่านใบลานเปล่าวันนี้สบายดีหรือเปล่า โอ้โหถ้าเป็นเราสมมุตินะยกตัวอย่างน ะ, ะมีเพื่อนเราเนี้ยพอเจอหน้ากันถึงก็ทักอย่างนี้อยู่ทักอย่างนี้เราเป็นยังไงไม่คิดก็ต้องคิดเลยนะคราวนี้โอ้ยังไงก็ต้องคิดจนได้ต้องต้องใช้ให้มันแบบว่าให้เขาสกิดใจเขาหน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยเจตนาดีไม่ใช่เจตนาได้เพราะบางทีบางครั้งเนี่ยการตำหนิคน หรือการพูดง่าจจะสอนคนให้สำนึกบางครั้งก็จะต้องหาคำพูดหรือหาประโยคอะไรที่สะกิดเตือนใจได้ที่จะทำให้เกิดสำนึกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมันเหมือนกับมันแล่นลึกเข้าไปในจิตในใจเลยนะทำให้เย็นวา่าเย็นวา่าเสร็จแล้วก็ ม, มันกระทุงกระแทกกระเทือนทำให้ไม่คิดไม่ได้แล้วมันต้องคิดและ อย่างนี้มันถึงจะเกิดผลถ้าใครเทศใครสอนใครแสดงทมแล้วไม่กระแทกกระทุ้งให้คนรู้สึกเลยมันไม่เกิดผลนะฟังแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครจะไปทำตัวเองให้เจริญขึ้นในศีลในธรรมนั้นเลยอันนี้เทศสอนไปแล้วไม่เกิดผลไม่มีประโยชน์นะ เทศสอนไปอย่างนี้เผลอๆก็คล้ายๆแบบเพอเจอร์ไปอย่างนั้นเองเพราะปรากฏว่าผู้ฟังฟังแล้วไม่เอาไม่เอาไปใช้อะไรเลยแม้แต่คิดบางเทียนั่งฟังไปยังคิดไปสนุกสนุ ก, นกเพลินๆินอะไรของตัวเองเล่นก็ได้โดยที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉมันก็ไม่มีผลเหมือนไอ่อะไรนะ ให้ของเรามาสักชิ้นหนึ่งแต่ของนี้เราเก็บไว้เฉยๆนะปล่อยให้มันผุพังไปเท่านั้นเองเอามาใช้อะไรก็ไม่เคยเอามาใช้เลยก็ปล่อยมันเก็บไว้อย่างนั้นน่ะจนกว่ามันจะเน่าเปือ่อยผุพังไปไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นเจตนาเลยของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครศึกษาในพระไตรปิฎกมา จะพบได้ผู้เจ้าเนี่ยท่านจะบางทีเนี่ยท่านจะว่าขอขอใช้คำว่าบางทีถ้าพูดสำนวนชาวบ้านนะท่านดาว <c ười> เคยเล่าบ่อยอย่างที่มีภิกษุมาเออาเสียงดังน่ะโอ้ท่านแต่เพิดเลยท่านไล่ไปเลยนะไล่จริงๆเลยแล้วแสดงว่าท่านจะต้องว่าแรงๆแล้วก็ต้องว่าเสียงดังด้วย เพราะปากรว่าภิกษุพวกที่ไปนี่ไอ้นั่นเลยนะไปแบบนี้ที่เรียกว่าโอ้โหทําไมว่าแรงอย่างงี้จนกระทั่งถ้าธรรมาจ迦ไม่ผิดเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งเมึงพระโมคคัลลนะเนี่ยมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคงไม่อยากจะสอนคนอื่นแล้วล่ะคิดดูสิพระโมคคัลลนะยังรู้สึกอย่างนั้นได้เลยแสดงว่าโอ้โหต้องว่าแรงต้องว่าแรงมากๆด้วย ถึงได้ขนาดพระโมคคัลลานะถึงรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาระสงสัยพระเจ้าจะไม่อยากสอนใครแล้วถึงได้ไล่ภิกษุตะเพิดไปป่าเลยไปไปที่อื่นไปไหนไปเลยเพิดถึงขนาดนั้นมันจะให้เห็นอันเนี้ยเป็นความที่บางทีเนี่ยจะต้องเข้าใจถ้าจะพูดว่าเป็นนักแสดงพระเจ้าก็ต้องเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นนักแสดงที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อคุณงามความดีให้กับคนอื่นมีจิตที่ที่ดีงามมีจิตใจที่บริสุทธิ์แม้จะด่าก็ด่าเป็นบุญไม่ใช่ด่าเป็นบาปอันนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายๆนะถ้าคนคนไม่เข้าใจให้ดีเนี่ยเผลอๆกาไปตีกินก็ได้ครนะาวนี้นไปดา่าใครเขาเข้ากัฉันดา่าเธอเนี่ยเป็นบุญนะ แต่ความจริงอะโหโกรธเขาไม่ชอบใจเขาอะแล้วก็ไปด่าเงี้ยไอ้อย่างงี้เป็นบาปอยู่แล้วไม่ได้เป็นบุญมันเป็นบุญเนี่ยจติใครจะว่าใครผู้เจ้าท่านบอกเลยข้อสำคัญตัวหนึ่งที่ต้องมีคือเมตตาที่จะต้องมีไอ้ส่วนว่าจะเป็นความจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นอะไรอย่างอื่นไม่เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีหลังแต่จะต้องมีเมตตา วันเถอาเราโกรธอยู่แล้วจะไปพูดไปว่าอะไรใครเา้าจริงๆอ่ะหุบ ป, ปากซะดีกว่าทำอารมณ์ทำจิตของตัวเองนี่ให้มันดีซะก่อนเออแล้วค่อยอ้าปากเพราะมิฉะนั้นแล้วเวลาอ้าปากแล้วไฟมันจะพ่นออกไปจากปากถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วได้บาปด้วยนะมีวิบากกรรมเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยจับอารมณ์ตัวเองไม่ทัน ว่าตัวเองเนี่ยโกรธไม่ชอบใจมันหลุดออกไปพอหลุดไปแล้วเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงก็มาหาเหตุผลจะมาอ้างโน่นอ้างนี่บอกเออจริงๆฉันก็ปรารถนาดีฉันก็อยากให้เ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงมันอาจจะมีส่วนบ้างแต่บางทีเนะี่ยไอตอนนั้นนอะมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยเหลือเกินไอความเมตตาอะไรต่ออะไรนี่เปอร์เซ็นต์มันน้อยเหลือเกินแต่ความอยากดา่าเขานี่เก้าสบอร์ซอย่างเงี้ยโอ้อย่างางี้มันจะมี ถูกต้องได้ยังไงแล้วก็พุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนให้ไปอะไรอ่ะถ้าอารมณ์เราไม่ดีอารมณ์เราเสียเนี่ยเราก็ไปจัดการคนอื่นก็าไม่พุทธเจ้าท่านสอนให้จัดการตัวเองก่อนทํานาของตัวเองก่อนก่อนไปทํานาคนอื่นพุทธเจ้าไม่สอนเราว่าไปทํานาคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาทํานาของตัวเองไม่มีถ้าเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจเราจะรู้ว่าเออจริงด้วยมันต้องจัดการที่ตัวเองก่อน ยิ่งพอรู้ว่าเราโกรธหรือเราโลภอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องเอาโกรธก็ได้รู้ว่านี่โลภแล้วจิตอยากได้แล้วบางทีเนี่ยสังเกตไหมแหมพูดเรียบๆเกียงๆโอ้โหมั น, นี้เธอทำอาหารนี่ดูดีจังเลยนะดีกว่าทุกวันเลยวันนี้คือจริงๆจิตเรามันอยากจะกินไงแหมพูดชมเขาใหญ่เลยนะเพื่อที่จะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้แบ่งให้เรากิน ถ้าเรารู้ตัวเราเงี้ยอย่าพูดอย่าอ้าปากทีเดียวรู้ว่านี่ น, น, นี่เพิ่มกิเลสให้ตัวเองแล้วนี่ปล่อยกิเลสโชว์ไปแล้วอันนี้ไม่เป็นบุญหรอกนะถึงจะชมเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้ทาดีจริงเลยนะอย่างงั้นอย่างนี้แต่ชมเพื่ออยากจะกลับมาให้ได้กินนี่อันนี้แหละพูดไปอย่างนี้คือกิเลสของเราก็เป็นบาปป่ะสิจะเป็นบุญได้ไงวันโทสนะเนี่ยยังเห็นง่ายนะ แต่โลภะเนี่ยไอตัวความโลภนี่คุณเห็นยากกว่ากันเยอะเลยนะพราหลายคนเนี่ยบางทีจับตัวนี้ไม่ทันหรอกไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเนี่ยีิโลแล้วกี่โลแล้ ว, ลวพูดออกไปแหมยกย่องอะไรนะเขาใหญ่เลยที่ไหนได้ต้องการสะท้อนกลับมาหาเรานี่เพราะเราระวังโดยเฉพาะตัวโลภเนี่ยมันมันมันถ้าไม่แววไวพอมันจับไม่ทันหรอก บางทีเนี่ยยอคนชมคนก็ต้องการให้ย้อนกลับมาชมเราบ้างอ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้าจริงๆนะนะทาเป็นชมเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ที่ชมเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ชมเรา <c oughs> ไปจับดูดีๆบางทีอ่ะถ้าคนไหนเราไม่ชอบใช่ไหมคนไหนไม่ถูกใจเราเราจะชมไหมไม่ชมอ่ะยิ่งถ้ารู้สึกไม่ใช่พวกเราเราก็ยิ่งไม่ชม แต่ตรงัข้ามเลยที่จริงคนไหนไม่ชอบอะ่ะเออพยายามชมเขาเพราะอะไรเพราะกิเลสเราอะ่ะมันอยากจะด่าเขาใช่ไหมกิเลสของเรามันอยากจะด่าเขาแต่เอาถ้าเราจับจิตรเราได้เรารู้โอ้เนี่ยเราจะล้างกิเลสเราอเออหัดชมคนที่เราเกลียดดูสิโอ้เขาทําตรงนั้นดีนะเขาทําอย่างง้นก็นดีนะหัดชมสิหลังนี้แหละคุณจะลดกิเลสคุณแล้วอย่างเงี้จะได้มากผล